นามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกฝหนพลนิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทําศึกสงครามกับนักองจันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบอดีขเขมรนไม่ต่อสู้ไทยนักองจันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึงสิบสี่ปีเศษมีข้อความพิสดารวิตรฐานในการศึกภัยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยับยุทธภาคที่สองตอนที่สิบเจ็ดเจ้าพระยานครราชสีมา เอาไฟคลอกขเบนกระบทหกร้อยเศษฝ่ายเจ้าพระยานครราชศีมาแม่ทัพ บ, บกพระยาราชนิกูลข้าหลวงกำกับทัพกับพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายซึ่งยกกองทัพใหญ่ไปทางบกเกือบจะถึงเมืองไส้ง่อนอยู่แล้วเมื่อกองทัพใหญ่ เดินทับไปกลางทางนั้นเห็นกิริยาอาการพวกไพรพนขมิผิดประหลาดกว่าแต่ก่อนเมื่อแรกเดินทับขึ้นมานั้นบัดนี้นายทัพนายกองไทยจะบังคับบัญชาใช้สอยก็กระด้างกระเดืองไม่เรียบร้อยราบคาบขมิมันแกล้งเดินเลื่อยล่าช้าๆตามพวกมันทั้งพันคนเจ้าพระยานครราชสีมาได้ทราบการดังนั้นแล้วจึงสั่งหลวงบริณานุรักษ ขึ้นมากลับสวนทางไปเร่งกองทัพพวกขมินพันคนให้รีบเดินทัพตามกองทัพใหญ่มาโดยเร็วครั้งนั้นนายกองนายทัพใหญ่ฝ่ายขมินแจ้งความว่าพวกไพร่คนป่วยไข้ลำบากมากจึงได้เดินเลื่อยล่าชานะ้าหนักขั้นจะเร่งรักให้เดินเร็วกลัวไพร่คนจะล้มตายมากแต่จะเร่งให้เดินตามทัพใหญ่ให้ทัน คราวนั้นพวกยวนป่าดงก็ลอบแอบเข้ามานำปืนยิงกองทัพไทยที่เดินเลื่อยล่าช้าอยู่ข้างหลังตายเนืองๆครั้งนั้นพวกขมินพันคนมีเครื่องตาดตราวุธปืนดาบหอกประกัดกะแววครบมือกันทุกคนเพราะเป็นไพร่พลลูกกองทัพไทยพวกขมินกลับใจออกห่างจากไทยขุมกันเป็นกบฏขึ้น รอยซ้ำเติมฆ่าพวกกองทัพไทยตายเจ็ดสิบสี่คนแล้วพวกเขเมนเหล่าร้ายก็คุมกันยกหนีเข้าป่าไปสองร้อยแปดสิบสี่คนไทคฆ่าตายเสียเมื่อเกิดรบกันหนีไปนั้นเขเมนตายหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนที่เหลืออยู่ไม่สู้รบนั้นหกร้อยคนเศษเจ้าพระยานครราชสีมาสั่งให้หลวงจารองเมืองกับหลวงบุรินทรานุรักษ์ จับนายทัพนายกองขมิที่เหลืออยู่มาชำระไล่เลียงก็ไม่บอกความจริงให้หลวงบุรินทรานุรักษ์หลวงบุรินทรานุรักษ์สั่งให้นำข้าสวมคอนายทัพนายกองขมิแล้วเคลื่อนสิบทีถามถึงสองยกหกสิบทีก็ยังไม่ได้ความจริงกระจางแจมแจ้งเป็นคำเดียวกันเห็นว่าพวกขมรมันยังให้การแต่คำกันอยู่หาสมควรกับเหตุการณ์ไม่ จึงนำความขึ้นกราเปลียนเจ้าพระยานครราชสีมาเจ้าพระยานครราชสีมามีบัญชาสั่งหลวงบริณฑรรักว่าให้หาเหล็กกล่าวแดงเผาไฟนาาเทา้าหนาามือนาบกายถ้าไม่ให้การความจริงแล้วก็ให้หนาบกระหม่อมให้ได้ความจริงจงได้ครั้งนั้นหยุดทัพชัมระขมิญอยู่วันหนึ่งตุลาการนำเหล็กแดงหน้าพวกขมิญ ที่ไม่บอกความจริงทนตายหลายคนก็มีบ้างที่ทนไม่ได้ให้กราบบอกความจริงต้องคำเดียวกันก็มากได้ความว่าพวกยวนในป่าดงที่พูดภาษาเขมรได้บอกความว่าของทัพ บ, บกทัพเรือฝ่ายไทยซึ่งยกมาข้างหลังนั้นแตกหนีล่าถอยไปหมดแล้วและมีทัพเรือใหญ่ฝ่ายไทยมาตีได้เมืองโจดกแล้วยวนก็ตีเมืองโจดกคืนได้ ฝายยวนยกทัพ บ, บกทัพเรือเป็นกองทัพใหญ่ไปตามตีกองทัพไทยแตกไปทั้งทัพ บ, บกทัพเรือแล้วบัดนี้ยวนแต่งทหารกองทัพใหญ่ยกโอบขึ้นมาตั้งสกัดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางท่าข้ามเมืองบาพนมยวนคอยจะตีกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมาฆ่าเสียให้สิ้น กับยวนแต่งทัพใหญ่ไปตามตีทัพเจ้าพระยาบรินเดชาจนถึงเมืองเขมรกองหนึ่งอย่างทัพยวนจะเพิ่มเติมมาข้างหลังตีทัพพระยามเทีบานอีกทางหนึ่งข้างฝ่ายเหนือพวกเขมรผ่า น, นคนในกองทัพไทยได้รู้ความดังนั้นจากยวนชาวป่าดงแล้วพวกเขมรจึงได้คิดกลัวอานาจกองทัพยวนจะมาตีไทยแล้วก็จะฆ่าเขมรเสียด้วยเพราะฉะนั้น ขเมนจึงคิดกลับใจออกห่างจากไทยจะหนีไปหาหยวนเพื่อจะได้ผลไยัยแต่ขเมนต้นคิดหัวหน้านั้นชื่อพระนรนทร์ุระสงครามพระนรินทร์ุระสงครามก็หนีไปกับขเมศสองร้อยแปดสิบสี่คนแล้วสิ้นคําให้การขเมนเท่านี้หลวงบรินทานุรักษ์หลวงรองจ่าเมืองตุลาการนําคําให้การขเมน ขึ้นกราบเรียนเจ้าพระยานครราชสีมาแม่ทัพเจ้าพระยานครราชสีมาแม่ทัพจึงปรึกษาพระยาราชนิกูลข้าหลวงกํากับทัพและพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายว่าเมื่อเราได้ทราบข่าวราชการทัพศึกยวนกับไทยตามคําให้การพวกเขเมิ้นดังนี้แล้วก็เห็นทีจะจริงสมกับคําให้การพวกเขเมิ้นั้นทุกประการเพราะด้วยเรา ได้ยกทัพ บ, บกมาก็ช้านานแล้วไม่ได้ข่าวคราวทัพเรือทัพ บ, บกข้างหลังบ้างเลยอีกประการหนึ่งเห็นกริยาพวกขเมนลูกกองนายกองพิดแปลกประหลาดตาขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อแรกมานั้นก็พึงรู้เข้าใจได้เถิดว่าขเมนคงจะรู้เหตุก่อนเรามันจึงคิดหนีเราไปหาที่พึ่งของมันบ้างเราจะขืนยกทัพไปเมืองใส่นอนนั้น ถ้าสมจริงดังพวกขมินว่าแล้วพวกเราจะไม่เสียราชการหรือคิดเห็นอยู่อย่างหนึ่งควรจะล่าทัพถอยกลับไปฟังราชการที่แม่ทัพใหญ่ณฝันะ่งแม่น้ําโขงก็พอจะรู้แยกข่ายได้ซึ่งเราจะล่าทัพกลับไปครั้งนี้พวกขมิ้นอยู่ในกองทัพเราก็มีมากถึงหกร้อยคนเศษเรายกกลับไปครั้งนี้ถ้าพบทัพหยวนมาตั้งสกัดหน้าเราอยู่ที่ใดๆ เราคงจะต้องต่อรบสู้กับยวนเป็นสามารถจึงจะพากองทัพไทยกลับไปบ้านเมืองเราได้ถ้าเมื่อเรากําลังรบกับยวนอยู่นั้นขมิญที่อยู่ในกองทัพเราจะกำเริกลุกขึ้นเป็นกบฏ ท, ทำร้ายเราด้วยพร้อมกับยวนพวกเราจะไม่ต้องเป็นทัพอยู่ในระหว่างกลางทัพขนาบหรือหรือเราจะพาขมิญหกร้อยคนเศษนี้ไปในกองทัพเราด้วยครั้งนี้ จะเป็นที่ห่วงหน้าห่วงหลังเป็นกังวลหนักหากเราจะต่อสู้กับยวนข้างหน้าไหนจะระวังขมีนข้างหลังอย่างนี้เห็นควรไหมข้าพเจ้าคิดว่าค้าพวกขมนหกร้อยคนเศษนี้เสียให้หมดแล้วเราจะได้สิ้นห่วงสิ้นใหญ่จะได้ตั้งหน้าต่อสู้กับยวนฝ่ายเดียวทำดังนี้จะไม่ดีหรือขณะนั้น พระยาราชนิกูนข้าหลวงตอบว่าซึ่งเจ้าคุณคิดนั้นก็ชอบด้วยทำนองศึกสงครามแล้วแต่กระผมเห็นว่าจะฆ่าพวกขมนถึงหกร้อยเศษเกือบเจ็ดร้อยคนกลัวมันจะไม่ยอมให้ไทยฆ่าพวกมัน ง, ง่ายๆเหมือนเช่นฆ่านักโทษเก้าคนสิบคนนั้นเพราะคนน้อยฆ่า่ายนี่พวกขมรมากถึงหกร้อยเศษจะลงมือฆ่าคนนี้ คนโน้นก็จะต่อสู้กันต่อต่อไปกลัวจะเกิดการจราจนวุ่นวายขึ้นที่นี่บ้างเจ้าพระยานค<ของ>ราราชสีมาตอบว่าท่านคิดนั้นก็ชอบแล้วแต่ผมคิดจะนำดินปืนคลอกพวกขมิบหกร้อยเศษเสียครู่หนึ่งก็จะตายหมดแต่ว่าเมื่อจะคลอกมันยาให้มันรู้ตัวก่อนเลยเป็นต้องตายทั้งสิ้นเมื่อท่านกลัวบาปเกรงกรรม ไม่อยากจะฆ่าขมินพวกนี้ก็แล้วไปตามใจท่านเถิดตกเป็นพนักงานผมจะฆ่ามันเองให้ตายหมดไม่ต้องให้วุ่นวายรบกวนท่านผู้ใดพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งหลวงรองจ่าเมืองให้ขุดดินเป็นรางวงใหญ่แล้วนำดินดำฝังไว้ในนั้นพอเวลาค่าให้ไล่ต้อนพวกขมนหกร้อยคนเศษพาไปพักนอนในที่นั้นแล้วก็นาไฟจุดชนวนดินดาให้ลุกขึน ครอบพวกขมิ้นเสียให้ตายหมดแต่เมื่อทํานั้นอย่าให้ใครรู้เห็นเลยจะแพร่งพลายต่อไปถึงพวกขมิน้นพวกขมิ้นจะรู้เสียการในทันใดนั้นพระยาราชดิกูลได้ฟังคำสั่งเจ้าพระยานครราชสีมาให้ฆ่าพวกขมิ้นเสียให้หมดดังนั้นจึงคิดว่าพวกขมิ้นหกร้อยเศษนี้ไม่ใช่ฆ่าศึกเลย เป็นค่าแผ่นดินไทยเทๆจะค่าเสียนั Free ้นหาควรไม่ถ้าจะคิดอุบายพามันไปส่งไว้บ้านเมืองไทยให้ทํานาก็จะได้ข้าวปีหนึ่งคนละเกวียนก็เป็นข้าวถึงหกร้อยเกวียนเศษเพราะขมียนพวกนี้แต่ล้วนเป็นคนชะกันทั้งสิ้นจะค่าเสียทั้งนั้นหาความผิดไม่ได้ก็น่าสังเวชสงสารชีวิตมนุษย์เหมือนกันเมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงพูดโต้ตอบ เจ้าพระยานครรังสีมาต่อไปว่ากระถมคิดว่าขมรพวกที่มันฆ่าไทยแล้วหนีไป200สองร้อยเศษนั้นเป็นศัตรูแก่ไทยแน่ถ้าตามจับมาได้ควรจะฆ่าเสียให้หมดแต่ขมศหกร้อยเศษพวกนี้ถึงเป็นพวกเดียวกับขมรพวกที่หนีไปนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าขมศหกร้อยเศษนี้ไม่ได้ทําประทุษร้ายฆ่าไทยเลย หาควรจะฆ่ามันไม่มันไม่ใช่ศัตรูข่าศึกอะไรแก่ไทยมันเป็นข้าแผ่นดินไทยแท้ๆขอรับประทานชีวิตขมิพวกหกร้อยเศษนี้ไว้ใช้ราช ก, การบ้านเมืองของไทยต่อไปเถิดแต่ข้อที่พวกขมิญหกร้อยเศษนี้จะกลับเป็นศัตรูแก่ไทยนั้นกระผมจะขอรับประกันได้เป็นแน่แต่จะขอให้เก็บเครื่องตัตราวุธสําหรับมือขมิพวกนี้เสียให้หมด คงให้เหลือแต่มือเปล่าแล้วก็จะแยกออกเป็นกองกองละห้าสิบคนแยกย้ายให้ไปเลี้ยงช้างมา้าโคต่างหรือหาบคอนขนเสเบียงอาหารในกองทัพไทยแต่ให้ไทยเป็นนายหมวดนายหมู่ขุมขมิทุกๆกองกองละสิบคนขุมขมิไพ่ห้าสิบคนทุกๆ ก, กองไปกว่าจะถึงเรือจะได้ลงบรรทุกเรือส่งไปกรุงเทพ ใช้ราชการบำรุงพระนครเห็นจะดีกว่าจะฆ่ามันเสียการที่ผมคิดทั้งนี้เป็นการคิดเรียนหาหรือท่านเจ้าคุณก่อนเพราะเจ้าคุณเป็นแม่ทัพใหญ่ตามแต่เจ้าคุณจะเห็นชอบทางไหนก็แล้วแต่เจ้าคุณเถิดเจ้าพระยานาครราชสีมาได้ฟังคำพระยาราชนิกลพูดโต้อตอบมาดังนั้นแล้วจึงขัดเคืองแต่ไม่รู้ที่จะว่าประการใด เพราะพระยาราชนิกลเป็นข้าหลวงกบกับทัพพูดจาโต้ธานก็ถูกต้องตามทางราชการอยู่ด้วยแต่ขัดเคืองที่จะขอข้าขมินไม่ให้ข้านี้เป็นเหตุใหญ่นักจึงพูดต่อไปว่าท่านไม่อยากจะให้ข้าขมรนแล้วท่านจะรับประกันขมินไม่ให้เป็นศัตรูต่อไปนั้นเป็นการดีแล้วแต่ขอหนังสือประทับรามาว่า ได้รับประกันขมรไว้ไม่ให้เป็นศัตรูต่อไปจนถึงเมืองพระตะบองด้วยจึงจะยอมตามที่ขอฝ่ายพระยาราชนิกูลก็ทาหนังสือประทับตราส่งไปให้ฉบับหนึ่งเจ้าพระยานครราชสีมาและพระยาราชนิกูลทั้งสองขุมทัพไทยและขมรเดินทัพกลับมาถึงฝั่งแม่น้ำโขงที่ท่าขึ้นไปนั้นก็ไม่เห็นเรือห้าสิบลและคนเฝ้าเรือร้อยี่สิบคน ที่จอดอยู่หน้าฝั่งแม่น้ําโขงท่าขึ้นเมื่อแรกมานั้นได้บรรทุกช้างมา้าโคต่างและไพร่พลข้ามแม่น้ําโขงมาจอดอยู่ที่นั่นหายไปทั้งเรือทั้งคนหมดสิน้นก็เข้าใจรู้เป็นแน่ว่ายวนมาเก็บเรือและคนไปทั้งสิน้นแล้วพักคอยกองทัพหลังอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําโขงท่าข้ามนั้นครู่หนึ่งจึงมาถึงพร้อมกันณนะเวลาเช้าโมงหนึ่งเจ้าพระยานครราชสีมาและพระยาราชนิกูล จึงพูดกับพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะพาีพลช้างมาโคต่างข้ามแม่น้ำโขงได้เล่าขันจะลุยไปก็ไม่ได้ด้วยตรงนี้น้ำลึกมากขณะนั้นพระยาพิชัยสงครามชื่อเพชรเป็นผู้ฉลาดในการช่างต่างๆและเป็นนายทัพ ป, ปีกหนึ่ง มาในกองทัพใหญ่นั้นด้วยจึงพูดตอบว่าเรือก็หายหมดจะลุยน้ำข้ามน้ำก็ลึกนักควรจะช่วยกันตัดไม้ไผ่ป่ามาทำแพเรือข้ามแม่น้ำโขงไปก็จะได้เป็นแน่นายทัพนายกองทั้งหลายก็เห็นชอบพร้อมกันเจ้าพระยานครราชสีมาจึงมีบัญชาสั่งพระยาพิชัยสงครามให้คุมไพร์ขมิบหกร้อยคนเศษ มีไทยเป็นนายคุมไปตัดไม้ไผ่ให้ช่วยกันลากขนมาทําเป็นแพรผูกติดๆกันดังแพรลูกบวบเป็นพืชยาวพอจะขวางเต็มลำแม่น้ําโขงลำแม่น้ําโขงกว้างกว่ า, วาลำแม่น้ําเจ้าพระยาในกรุงเทพหลายเท่าแล้วตีแตะไม้ไผ่เป็นเรื่องดาดหลังแพรลูกบวบทุกๆแพรแล้วตัดหวายและไม้ไผ่สดอ่อนมาตีเป็นเกลียวเหมือนเชือกทําเป็นสายสมองผูกขอนไม้แก่นสด ที่หนักทำเป็นดังโยธากาติดกับสายสมอแล้วก็ทอดลงไปในแม่น้ำโขงแล้วนำแพรลูกบวบที่มีเรือผูกบนหลังแพรนั้นมาผูกเป็นทุน่นติดต่อกันเป็นระยะยาวเรียงหนึ่งขวางแม่น้ำโขงจนถึงฝั่งข้าเมืองบาพนมข้างโนนพระยาพิชัยสงครามทำแพรตะพานเรียกข้ามแม่น้ำโขงเสร็จแล้วในสองวันสองคืน เจ้าพระยานครราชสีมามีความยินดียิ่งนักถอดสายสร้อยทองคำในบ้านเอวท้องหนักสี่ตำลึงสองสลึงเฟี้ยงมีกระตุดสามดอกให้แก่พระยาพิชัยสงครามผู้ต้นคิดทำแผลและเป็นแม่งานทำแผลแล้วเร็วร่วยแล้วสั่งให้หนายทัพนายกองทุกกองยกรีพลช้างหมาโคต่างดำเนินทัพเดินตามแผตะพานเรียกข้ามแม่น้ำโขงมาได้สิ้นทุกทัพทุกกอง ถึงฝั่งฟากเมืองบาพนมพร้อมกันแล้วสั่งให้พลทหารช่วยกันระดมหรือแพร่เรียกทำลายหรือแย่งให้แต่กระจายเสียสิ้นหวังไม่ให้เป็นทางยวนข้ามน้ำมาตามได้ขณะเมื่อพระยาพิชัยสงครามคุมพวกขมิหกร้อยเศษไปตัดไม้ไผ่ทำแพรข้ามแม่น้ำโขงนั้นไทนายคุมได้จ่ายขวานและพรามีดให้พวกขมิพวกขมิจึงมีกิริยาหลอกแหลก ทำท่วงทีเหมือนจะเป็นกบฏขึ้นพระยาพิชัยสงครามเห็นดังนั้นจึงแต่งให้ไทยถือปืนไปกำกับให้ขมรตัดไม้ไผ่จนเสร็จการเมื่อข้ามแม่น้าโขงมาแล้วนั้นพระยาพิชัยสงครามนำความขึ้นเรียนเจ้าพระยานครราชสีมาเจ้าพระยานครราชสีมาสั่งให้พระยาราชนกูลจับขมิตัวนายทัพนายกองทั้งสิ้นมาชาระได้ความว่าเมื่อมีเครื่องมือขวาน มีดพระไปตัดไม้นั้นหมายใจว่ามีช่องจะทำร้ายแก่ไยัยแล้วก็จะพากันหนีไปสิ้นทั้งหกร้อยคนเศษเจ้าพระยานครราชสีมาจึงสั่งหลวงรองจ่าเมืองให้พาขมนนายทัพในกองสามสิบหกคนไปตัดศรีรษะเสียบไว้ที่ท่าข้ามฝั่งแม่น้ำโขงในวันที่ข้ามทัพไปนั้นแต่ให้ขมนหกร้อยเศษมอบให้พระยาราชนิกูลผู้ประกันคุมต่อไป พระยาราชดิกูลแบ่งขมรให้เป็นหมู่เป็นกองกองละห้าสิบคนมีไทยเป็นนายคุมกองละยี่สิบสามสิบถือปืนและดาบคุมขมรให้ขมรหาบคอนเป็นของสเสบียงอาหารบ้างให้เลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าโคต่างบ้างให้ขับกระเบือกเวียนบ้างแต่สาปตราวุธไม่ให้ถือเลยทุกทุกคน อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิบเจ็ดเจ้าพระยานครราชสีมาเอาไฟข้อเขมรกบหกร้อยเศษกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป